วันนี้เป็นวันมาคบูชาตรงกับวันพุทธที่สมีนาคม2 5งนเป็นวันสำคัญตามเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นจริงน้นเป็นวันที่สของวันสำคัญสำคัญของทางพระพุทธศาสนา วันสำคัญที่ปรากฏขึ้นครั้งแรกคือวันวิสาขาบูชาวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรูเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่นับวันประสูติและวันนิพพานซึ่งตร ง, ตรงกันวันเดียวกันแต่ต่างปีแต่ที่จะพูดนี้หมายถึงวันที่ทรงตัดสรู เป็นวันที่โลกได้มีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาเป็นครั้งแรกในระยะเวลาอันยาวนานแล้วก็หลังจากที่ทรงได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ทรงมีความท้อพระทยัยที่ไม่อยากจะประกาศพระธรรมคำสอนสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกเนื่องจากทรงเห็นว่า เป็นธรรมที่ยากต่อการศึกษาและการปฏิบัติและหลังจากที่ได้ทรงพริจารณาก็ทรงได้เห็นว่าสัตว์โลกผู้ที่จะมีความสามารถศึกษาและปฏิบัติก็มีอยู่สามจำพวกด้วยกันและมีอยู่อีกจำพวกหนึ่งที่จะไม่มีความ สามารถที่จะศึกษาและปฏิบัติได้ทรงแยกไว้เป็นบัวสี่เหล่ามีบัวสามเหล่าที่พอที่จะสามารถที่จะศึกษาและปฏิบัติตามได้ตามความสามารถสติปัญญาที่ต่างกันไปจึงได้ทรงตัดสินพระไทยว่าจะทรงประกาศพระธรรมคำสอน แตะ่จะทรงมุ่งไปเตาะไปสั่งสอนให้แก่ผู้ที่มีสติปัญญาความรู้ความสามารถที่มากที่สุดก่อนก็คือบัวเหล่าแรกที่เรียกว่าบัวเหนือน้ำบัวที่รอแสงตะวันที่จะสัดฉายแสงออกมา แล้วก็จะทำให้บัวนั้นบานขึ้นมาพระองค์จึงทรงไปประกาศพระธรรมสั่งสอนให้แก่พระปัญจวัคคีในวันเพ่นเดือนแปดที่เราเรียกว่าวันอาสาหาบูชานี่คือวันสำคัญลำดับที่สองต่อจากวันวันวิสาขะ บูชาวันที่ทรงตัสรุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพอสองเดือนต่อมาพระองค์ก็ท่งประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่พระปัญจวัคคีทั้งห้าผู้ที่มีสติปัญญามีความรู้ความสามารถที่จะรับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำไปปฏิบัติ จนบรรลุผลได้ซึ่งหลังจากที่ได้ทรงแสดงพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรทรงแสดงพระอริย 4, สี่ทรงแสดงมรรคแหนึ่งในพระปัญวัดปัญจวัคคีคือพระอนญานโกนทัญญาก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาเป็นผู้เป็นพระอริยสองรูปแรกในพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏขึ้นครบองค์คือมีพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมคําสอนและมีพระอริยสงฆ์สาวกบรรลุธรรมขึ้นมาวันนั้นจึงเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบเป็นครั้งแรกคือสองเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสัตว แล้วได้ทรงประกาศพระธรรมคําสอนนั่นคือวันสําคัญครั้งที่สองคือวันอาสาหาบูชาสองเดือนจากหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงได้ทรงตัดสรุปแล้วหลังจากนั้นพระ อ, องค์ก็ทรงสั่งสอนพระปัญ จ, จวัคคีจนพระปัญ จ, จวัคคีทั้งห้าได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต สาวกเป็นพระอาหารหันต์องค์ห้าองค์แรกของพระพุทธศาสนาต่อจากนั้นพระองค์ก็ส่งมุ่งไปสู่สำนักของนักบวชต่างๆแล้วก็ส่งประกาศสั่งสอนพระอาาริยสัจสี่มรรคแปดใจรักให้แก่นักบวชต่างๆก็ปรากฏมีผู้สามารถศึกษาปฏิบัติ และบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมากันเป็นจํานวนมากหลังจากที่บรรลุแล้วพระพุทธเจ้าก็ส่งสั่งว่าให้ไปกันคดละทิศคนละทางเพื่อที่จะได้นําเอาธรรมอันประเสริฐนี้ไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นที่ยังไม่รู้ต่อไปให้ไปกันอย่าไม่ให้ไปด้วยกันให้แยกกันไปเพื่อ ้าทำคำสอนจะได้กระจายไปได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วต่อมาพอถึงวันเพ็ญเดือนสามคือวันนี้วันมาฆบูชาก็ปรากฏเหตุการณ์อัศจรรย์ขึ้นมาคือพระภิกษุมีพระภิกษุ1250รูปได้เดินทางมาจากสารทิ ต, ต่างๆ เพื่อมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระภิกษุ1250รูปนี้ก็ได้บรรลุปเป็นพระอาหารหันตสาวกกันทั้งหมดและเป็นพระภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ประกอบการบวชให้ด้วยการแปลงวาจาว่าเอหิภิกขุแปลว่าจงมาเป็นภิกษุเถิด สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงกระทําการบวชพระให้นั้นทรงกระทําอย่างเรียบง่ายเพียงกล่าวเป่งวาจาว่าจงมาเป็นภิกษุเถิดก็ถือว่าได้บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วต่อมาก็มีผู้ศรัทธาหลังจากที่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็เกิดศรัทธาอยากจะบวชเป็นพระภิกษุก็ต้องเดินทางมาหาพระพุทธเจ้าจากสาวรทิตต่างๆจนพระองค์ทรงเห็นว่าเป็นเรื่องยุ่งยากมากจึงได้มอบหมายการบวชพระภิกษุให้แก่พระสงฆ์ทาหน้าที่แทนพระสงฆ์ท่านก็ต้องมาชุมนุมกันอย่างน้อยมีสิบรูปขึ้นไป แล้วก็มีการตรวจคุณสมบัติของผู้มาบวชว่ามคีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่แล้วก็มีการสวดตั้งยติสามครั้งก่อนที่จะรับ ร, รับผู้ที่ปรารถนาจะบวชนั้นเข้ามาเป็นพระเพ็กสูซึ่งเป็นวิธีการบวชพระในสมัยปัจจุบันได้สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพระพุทธการ นี่คือพาะภิกษุ1250รูปที่ได้บรรลุปเป็นพาาาระอรหันต์แล้วและได้รับการบได้รับการอุปสมบทโดยพระพุทธเจ้าได้ม่วงมาหาพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนด้วยความรักความเคารพความคิดถึงด้วยความสำนึกในภาพคุณอันใหญ่หลวงของพระพุทธเจ้า เพราะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่มีใครสามารถที่จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ด้วยตนเองเลยมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่มีคุณสมบัติมีความรู้ความสามารถที่จะสามารถสั่งสอนตนเองให้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้นอกนั้นต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นผู้สั่งผู้สอนเท่านั้น จึงจะสามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกได้แล้วหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จดับขันธ์ารณิพานไปแล้วก็ต้องอาศัยพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการจดจำจารึกไว้ในสื่อต่างๆเป็นพระศาสาดาเป็นพระอาจารย์สั่งสอนโดยอาศัยพระอาหารหันตสาวก เป็นผู้ช่วยขยายความหรือเป็นผู้ช่วยสนับสนุนในการอบรมสั่งสอนเพื่อให้ได้ปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันนี่ก็คือเรื่องของวันมาคบบูชาหลังจากที่มีพระภิกษุได้มารวมกันแล้วในวันนั้นพระองค์ก็ทรงแสดง หัวใจของพระพุทธศาสนาคือหัวใจของคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สอนเหมือนกันหมดไม่ว่าจะมาตัสรู้ในยุคใดสมัยใดก็ตามคำสอนหัวใจของคำสอนนี้จะเป็นเหมือนกันทุกๆพระองค์เพราะปัญหาของสัตว์โลกนั้น ก็เป็นปัญหาที่เหมือนกันทุกยุคทุกสมัยที่จะต้องได้รับการแก้ไขด้วยหัวใจของพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าที่เคยปรากฏมาตรสรู้ในอดีตการอัน ญ, ญาวนานที่ผ่านมาหรือพระพุทธเจ้าที่จะมาปรากฏขึ้นในอนาคตที่อันไกลก็จะประกาศพระธรรมคาสอนเหมือนกันหมด เพราะเป็นคำสอนที่จะทำให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนในวันนั้นมีอยู่สามหัวข้อใหญ่ๆด้วยกันคือหนึ่งให้ละการกระทำบาปทั้งปวงสองให้ทำกุศลให้ถึงพร้อมสาม ให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ชำระความโลภความโกรธความหลงที่เป็นเครื่องเศร้าหมองที่ทำให้จิตใจต้องติดอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดถ้าผู้ใดาสามารถน้อมเอาเพราะธรรมคำสอนสามข้อนี้ไปปฏิบัติได้ก็จะสามารถบรรลุ เป็นพาาาระอรหันต์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เข้าถึงพระนิพพานแดนอันกเกษมแดนอันมีบรมลัมุขนี่คือหัวใจของคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะสอนมากน้อยเพียงไรเนื้อหาสาระก็จะมีอยู่ในธรรมนองเดียวกันนี้ คือให้ละบาปให้สร้างบุญให้ชําระใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์เปรียบเหมือนกับน้ําในมหาสมุทรที่มีจํานวนมากมายมหาสมุทรมีความกว้างใหญ่ไพศาลมีน้ําในมหาสมุทรมากมายแต่น้ําในมหาสมุทรนี้จะมีรสเหมือนกันหมดคือรสเค็มเอ ฉันใดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันจะมีมากน้อยเพียงไรก็จะมีเหมือนกันก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องการไม่ทำบาปสอนเรื่องการทำบุญสร้างกุศลสอนเรื่องการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะนี่เป็นเครื่องมือที่จะกำจัด ตัดภพชาติต่างๆให้หมดสิ้นไปเป็นบรรดาสู่พระนิพพานถ้าผู้ใดปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดปรารถนาที่จะไปสู่พระนิพพานก็จำเป็นจะต้องปฏิบัติทมทั้งสามหัวข้อนี้คือละการกระทำบาปทั้งปวงสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม ชำระใจให้สะอาดบริสุดผู้ใดสามารถปฏิบัติได้ผู้นั้นก็ถือว่าได้เป็นผู้ที่บูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้นั้นแหละคือผู้บูชาเราตถาคตถ้าเราอยากจะบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้า เราก็ต้องบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชาการบูชาด้วยเครื่องสักการะต่างๆนี้ยังไม่ถือว่าเป็นการบูชาที่แท้จริงเพราะยังไม่ยังประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาะให้เกิดขึ้นแก่พวกเราเกิดขึ้นได้นั่นเองต้องบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชาการจะปฏิบัติบูชาได้อย่างถูกต้อง ก็ต้องมีการศึกษาเพืธรรมคำสอนก่อนศึกษาว่ า, าการปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรสุปฏิปันโนเป็นอย่างไรอุชุปฏิปันโนเป็นอย่างอย่างไรยายะปฏิปันโนเป็นอย่างไรสามีจิปฏิปันโนเป็นอย่างไ ร, มนน เ, งไรเมื่อดูแล้วว่าปฏิบัติอย่างไรถึงจะเป็นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ปฏิบัติตามไป ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้มัลสีผลสีนิพานหนึ่งก็จะเป็นผลที่ปรากฏขึ้นมาตามลำดับอย่างแน่นอนดังนั้นในเบื้องต้นจึงต้องเข้าหาผู้รู้เข้าหาครูบาอาจารย์ผู้ที่สามารถที่จะอบรมสั่งสอนให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ การปฏิบัตินี้จะยากลำบากถึงแม้ว่าจะมีหนังสือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระอาจารย์ต่างๆไว้เป็นเครื่องมือก็ตามแต่การอ่านหนังสือนี้กับการนำเอาไปปฏิบัตินี้อา จ, จมีการคาดเคลื่อนได้มีความเข้าใจผิดได้ ทำให้การปฏิบัตินั้นปฏิบัติไม่ถูกและปฏิบัติไม่ได้ผลได้แต่ถ้ามีครูบาอาจารย์ผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วเป็นผู้คอยสั่งสอนเป็นผู้คอยแก้ปัญหาให้การปฏิบัติก็จะเป็นไปได้อย่างถูกต้องแม่นยําและบรรลุถึงผลได้อย่างแน่นอน ดังนั้นจึงเป็นธรรมเนียมของพุทธศาสนิกชนที่จะเข้าหาพระอาจารย์ต่างๆผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วเข้าไปเพื่อศึกษาฟังเทศฟังธรรมก็เข้าไปได้ในหลายระดับด้วยกันระดับแรกก็เข้าไปฟังเพื่อเป็นการศึกษาในเบื้องต้นก่อนแต่ยังมีภารกิจในการทำมาหากิน เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่ก็ได้เพลงแต่ฟังแล้วก็กลับไปกลับไปบ้านสิ่งที่ได้ฟังก็อาจจะจาได้บ้างจาไม่ได้บ้างก็จะปฏิบัติได้บ้างไม่ได้บ้างผลก็จะไม่ได้มากแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ฟังไม่ได้ปฏิบัติได้แต่เมื่อได้เข้าฟังบ่อยๆขึ้น ก็จะสามารถปฏิบัติได้มากขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นที่อยากจะปฏิบัติเต็มรูปแบบอยากจะออกปฏิบัติออกบวชก็จะเข้าพึ่งครูบาอาจารย์แบบแบบถาวรแบบยาวนานคือไปอยู่กับที่ท่านอยู่เลยไปศึกษาอยู่กับท่านฟังเทศฟังธรรมดูวิถีชีวิตของการดำเนินของท่าน ว่าท่านดำเนินอย่างไรท่านคิดอย่างไรท่านพูดอย่างไรท่านทำอย่างไรการกระทาของท่านในแต่ละแบบในแต่ละวาระนี้ถือเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะเอามาใช้ในการพัฒนาตัวเราเองได้ครูบาอาจารย์ท่านได้ผ่านมาแล้ว ท่านได้ศึกษามาแล้วสิ่งใดที่ไม่ดีท่านก็ละไปแล้วสิ่งใดที่ดีท่านก็เจริญจนได้ผลอย่างเต็มที่แล้วเวลาที่ได้ยินได้ฟังได้เห็นครูบาจารย์นั้นจึงเป็นการศึกษาไปในตัวเป็นการเรียนรู้ไปในตัวแล้วทำให้ไม่ต้องลังเลสงสัย ว่าการกระทําแบบนี้ถูกหรือไม่ถูกเพราะมีผู้ที่ได้กระทำที่อย่างถูกต้องมาแล้วกําลังทาอยู่ให้เราเห็นแต่ถ้าเราศึกษาตามลำพังและเราปฏิบัติตามลำพังเราก็มักจะเกิดความไม่แน่ใจเมื่อไม่เมื่อเกิดความไม่แน่ใจก็จะไม่กล้าปฏิบัติอย่างเต็มที่ เพราะกลัวว่าจะหลงทางกลัวจะผิดพลาดได้ก็จะไม่คืบหน้าไม่ก้าวหน้าจึงต้องมีครูบาอาจารย์เป็นผู้คอยสั่งสอนอย่างพระพุทธเจ้าเป็นครูบาอาจารย์ของพระอาหารหันต์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปหลังจากที่ได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าแล้วได้ปฏิบัติ แล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมากันนี่คือแนวทางการดำเนินของพระพุทธศาสนาผู้ใดก็ตามที่ปรารถนาผลอันเลิศอันประเสริฐที่จะเกิดจากการปฏิบัติก็ต้องมีครูบาอาจารย์คอยอบรมคอยสั่งสอนคอยว่ากล่าวตักเตือนเพราะไม่เช่นนั้นแล้ว ความหลงที่ยังมีอยู่ภายในจิตใจจะมาทำหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์แทนแล้วความหลงนี้ก็จะสอนให้หลงผิดเป็นชอบได้แทนที่จะไปทางซ้ายก็ไปทางขวาแทนที่จะทำอย่างนี้ก็ไปทำอย่างนั้นแล้วในที่สุดก็จะตกนรกได้อย่างพระเทวทัตถึงแม้ได้ศึกษากับพระพุทธเจ้า แต่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้ากลับไปเชื่อโมหะความหลงของตนคิดว่าตนเองนี้วิเศษกว่าดีกว่าพระพุทธเจ้าเช่นพระพุทธเจ้าทรงฉันเนื้อตนเองไม่ฉันเนื้อฉันเจฉันแต่ผักถือว่าการปฏิบัติของตนถูกกว่าของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงรับกิจนิมนต์ พระเทวทัตไม่รับเกียรตินิมนต์การเห็นว่าการปฏิบัติของตนนี้ถูกกว่าดีกว่าพระพุทธเจ้าจึงทำให้ตนเองนั้นเกิดความอยากขึ้นมาอยากที่จะเป็นผู้ปกครองสูงแทนพระพุทธเจ้าอพอทรงไปกราบทูลขออนุญาต พระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิเสธเพราะทรงเห็นว่าพระเทวทัต น, นี้ยังมีความหลงครอบงำอยู่แม้แต่พระอาหารหันต์ซึ่งเป็นอักรละสาวกซ้ายขวาคือพระโมคราณนะกับพระสาริบุตรพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้มอบหมายให้เป็นผู้ทำหน้าที่แทนพระองค์แล้วคนอย่างพระเทวทัตที่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์นี้ จะมอบให้เป็นผู้ปกครองสงได้อย่างไรพอทรงปฏิเสธไปก็ทำให้เกิดโทสะขึ้นมาภายในใจของพระเทวทันเกิดความเครียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทจีงพยายามที่จะลงพระชนของพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกันครั้งแรกก็ส่งจ้างคนมาฆ่าก็ไม่สามารถทำได้ ครั้งที่สองก็ปล่อยช้างออกมาเพื่อให้ไหล่เหยียบพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถทำได้ครั้งที่สามก็ขึ้นไปรออยู่บนเขารอเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาก็กิ้งปล่อยก้อนหินใหญ่ลงมาดันก้อนหินใหญ่ลงมาเพื่อให้กิ้งทับพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถทำได้ทำได้เพียงทำให้ พ่อพบาตพ่อเลือดพ่อพระโลหิตของพระบาทเท่านั้นแต่โทษที่ได้ทําไวน้นี้เป็นโทษที่ร้ายแรงกว่าบุญที่ได้จากการมาบวชจากการที่ได้บรรลุคุณวิเศษใ น, ในระดับของสมาธิก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งโทษอันร้ายแรงนี้ได้เพราะถือว่าเป็นกรรมหนักอย่างยิ่งอนันตริยกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าอนันตอนันตาลียกรรมที่ผู้ใดกระทำแล้วจะต้องไปใช้กรรมในนรกทันทีก็คือ 1. การฆ่าพ่อ 2. คฆ่าแม่ 3. คฆ่าพระ อ, อรหันต์ 4. ทํทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดและทําทำให้สงแตกแยกการกระทำเหล่านี้ถือว่าเป็นโทษร้ายแรง ผู้ใดกระทําแล้วก็จะต้องไปตกนรกซึ่งก็เป็นผลที่พระเทวทัตต้องไปรับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์เชื่อความคิดของตนเองที่มีความหลงครอบงามอยู่จึงทําให้แทนที่จะไปพระนิพพานกลับต้องไปตกนรกซึ่งต่างกับ ซึ่งต่างจากองคุลิมานผู้ที่ได้ทำบาปทำกรรมมาอย่างมากมายได้ฆ่าคนถึงเก้าร้อยเ้าสคนพอมาถึงคนที่หนึ่งพันก็คือพระพุทธเจ้าแต่ไม่สามารถที่จะฆ่าพระพุทธเจ้าได้เพราะพระพุทธเจ้ามีอิทธิฤทธิปาฏิหารทำให้องคุลิมานไม่สามารถ เข้าถึงตัวพระพุทธเจ้าได้วิ่งไล่ตามเท่าไหร่ก็วิ่งไม่ทันจนต้องตะโกนออกไปว่าท่านโปรดท่านหยุดเถิดข้าพระเจ้าตามท่านไม่ทันพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดกลับไปว่าเราได้หยุดแล้วเธอต่างหากที่ยังไม่ได้หยุดพอได้ยินอย่างนั้นก็ทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาว่าทรงหมายความว่าอะไรกันแน่ ก็ถามกลับไปพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราได้หยุดจากความโลภความโกรธความหลงแล้วพอได้ฟังอย่างนี้องคุริมานก็ได้สติได้ปัญญากลับคืนมายุติความพยายามที่จะฆ่าพระพุทธเจ้าแล้วกลับมาฆ่าฆ่าศึกษัตรูที่แท้จริงขององคุริมาน ก็คือฆ่าความโลภความโกรธความหลงพอฆ่าได้แล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอหรหันต์ไม่ต้องไปใช้กรรมในนรกทั้งๆที่ได้ฆ่าคนมาถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนแต่เพราะมีความเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในครูบาอาจารย์และปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ไม่ถือทิฏฐิ ความเห็นของตนเป็นใหญ่ถ้าถือทิฏฐิก็จะต้องพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าให้ได้ถ้าฆ่าได้หรือทำให้พ่อพระห่อพระโลหิตก็จะต้องไปตกนรกทันทีนี่คือความแตกต่างระหว่างการเชื่อครูบาอจารย์กับการไม่เชื่อครูบาอจารย์การมีครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงเห็นจริง กับครูบาอาจารย์ที่ไม่รู้จริงเห็นจริงนี้มีความแตกต่างกันมากเหมือนกับคนบอกทางที่รู้จักทางกับคนที่ไม่รู้จักทางคนที่รู้จักทางนี้จะบอกได้ถูกต้องแม่นยำว่าจุดหมายปลายทางที่จะไปนี้ไปไปอย่างไรแต่ผู้ที่ไม่รู้จักทางไม่เคยไปก็จะบอกแบบผิดผิดถูกถูก พอผู้ที่นำเอาไปปฏิบัติตามก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางนี่คือเรื่องของครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์ที่ลูกศิษย์ทั้งหลายคือพระอรหันตะสาวกหนึ่งันรหรูปมีความทราบซึ่งในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าจึงได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกันในวัน มาคบูชานี้พวกเราก็ควรที่จะน้อมเอาคติธรรมที่เราได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของวันมาค้บูชานี้เอาไปปฏิบัติพยายามเชื่อฟังครูบาอาจารย์เชื่อฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นครูบาอาจารย์ อย่าไปฟังผู้อื่นเพราะว่าไม่มีใครที่จะรู้จักทางนี้ได้ดีเท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ื่นนี้ยังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางจะไม่สามารถสอนให้ถูกต้องได้เหมือนกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยเช่นบรรดาหมอดูทั้งหลายผู้ที่มี ดูตาในดูข้างในดูอะไรต่างๆที่ไม่ได้อยู่ในแนวคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้อย่าไปเชื่อให้เสียเวลาเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการไปก็คือหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเวลามีความทุกข์ใจอย่าไปหาหมอดู อย่าไปหาหมอเข้าทรงเข้าเจ้าอย่าไปหาผู้ที่เขาไม่รู้วิธีการดับทุกข์เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วจะพบกับผู้ที่รู้จักวิธีดับความทุกข์อย่างแท้จริงเพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะรู้อริยสัจสที่เป็นหัวใจของความสุขและความทุกข์ ของใจเหล่านี้เองใจเราทุกข์ก็เพราะว่ามีความอยากสามประการเรียกว่ากามะตันหาภาวตันหาวิภวะตันห า, ะะหาถ้ามีความอยากเหล่านี้แล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยเป็นผู้ร่ารวยผู้ยากจนก็จะมีความทุกข์ใจเหมือนกันแล้วก็ ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมาดับความทุกข์ใจนี้ได้นอกจากพระรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือมรรคที่มีองค์แปดคือศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องมือที่จะมาหยุดความอยากได้ ดับความทุกข์ได้ถ้าไปใช้อย่างอื่นจะไม่มีวันที่จะดับความทุกข์ใจได้เช่นไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนทรงผมไปทำอะไรต่างๆที่หมอดูแนะนำให้กระทานี้จะไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ของใจได้ ความทุกข์ของใจนี้จะต้องดับด้วยการละความอยากและเครื่องมือที่จะละความอยากได้ก็คือทานศีลภาวนาเราจึงต้องมาทําทานกันมารักษาศีลกันมาภาวนากันถ้าเรามีทานมีศีลภาวนาอยู่ในใจแล้วเราจะมีเครื่องมือดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากต่างๆได้ ถ้าเราไม่มีทานศีลภาวนาเราจะไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ใจต่างๆได้ไม่ว่าเราจะหาอะไรใช้อะไรมาดับมันก็จะดับไม่ได้อย่างแท้จริงอาจจะดับได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่มันจะไม่ดับไปอย่างถาวรเดี๋ยวมันก็จะกลับมาใหม่ เช่นเวลาเราไม่สบายใจเราก็ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันไปเที่ยวกันไปดูภาพยนตร์ไปดูละครหรือไปรับประทานอาหารเลี้ยงกันเวลาจัดงานเลี้ยงกันก็ลืมความทุกข์ใจไปชั่วขณะหนึ่งแต่พองานเลี้ยงผ่านไปแล้วความทุกข์ใจก็ยังไม่หายไปเพราะความอยากนั้น ยังมีอยู่ภายในใจความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้มันจะไม่หายไปเองมันจะหายไปก็ต่อเมื่อเราเข้าถึงธรรมขั้นภาวนาคือขั้นปัญญาขั้นวิปัสสนาภาวนาที่จะทำให้เราเห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้นั้นเป็นสิ่งที่ เราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เห็นอะไรหรือได้ยินอะไรแล้วไม่ชอบอยากจะให้มันหายไปก็ไม่สามารถที่จะสั่งให้มันหายไปได้เพราะมันเป็นอนัตตาถ้าเห็นว่าสิ่งต่างๆเป็นอนัตตาแล้วเห็นว่าถ้าไปอยากให้สิ่งที่เป็นอนัตตานั้นเป็นไปตามความอยากของเรา ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็จะเห็นโทษของความอยากทันทีว่าเราไปอยากกับสิ่งที่เราไม่สามารถทำให้เป็นไปตามความอยากของเราได้ถ้าเราหยุดความอยากเสียปล่อยให้สิ่งต่างๆนั้นเป็นไปตามเรื่องของเขาไม่ต้องไปให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเราหยุดความอยากได้ความทุกข์ภายในใจของเราก็จะหายไป แต่ก่อนที่เราจะเข้าถึงความรู้คือปัญญาในระดับภาวนาที่ได้เราต้องมีส ม, มถะภาวนาก่อนเราต้องเข้าสู่ความสงบให้ได้ก่อนเพราะถ้าใจไม่สงบนี้ใจจะไม่สามารถคิดด้วยเหตุด้วยผลได้ใจจะถูกอารมณ์ความรักความชอบความกลัวความหลงครอบงำอยู่ จะทำให้ไม่สามารถเห็นอนัตตาในสิ่งต่างๆได้เพราะความรักความชังความกลัวความหลงนี้จะทำให้บีแต่ความอยากให้สิ่งที่ตนรักชังกลัวหลงนั้นหายไปแล้วอยู่ต่อไปนั่นเองแต่เวลาทำใจให้สงบแล้วความรักความชังความกลัวความหลงจะถูกระงับไว้ชั่วคราว ก็จะทำให้สามารถมองเห็นความเป็นจริงได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เราไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เช่นร่างกายของเหล่านี้เราจะไปสั่งให้เขาไม่แก่ก็ไม่ได้สั่งให้เขาไม่เจ็บก็ไม่ได้สั่งให้เขาไม่ตายก็ไม่ได้ถ้าเรามีความสงบเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วเราก็จะ ไม่ฝืนความจริงเพราะถ้ารู้เพราะถ้าเราฝืนถ้าเราอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราจะเห็นความทุกข์ปรากฏขึ้นมาในใจเราทันทีนี่คือการใช้ปัญญาต้องใช้ด้วยใจที่สงบถึงจะเห็นโทษเห็นคุณของความอยากเห็นโทษเห็นคุณของของความจริงเห็นอนัตเห็นคุณของอนิจจังเห็นคุณอนัตตา ถ้าไม่มีความสงบมีความอยากก็จะเห็นโทษของความจริงจะไม่ชอบความจริงจะไม่ชอบความแก่ไม่ชอบความเจ็บไม่ชอบความตายจะอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วก็จะทุกข์ไปเปล่าๆแต่ถ้าใจสงบจะเห็นคุณของความจริงพอเห็นความแก่ความเจ็บความตายก็จะหยุดความอยากทันทีหยุดความโลภทันที พอหยุดความโลภความทุกข์ก็หายไปความสุขก็ปรากฏขึ้นมาแทนนี่คือปัญญาเครื่องมือที่จะใช้ในการดับความทุกข์ต่างๆแต่ต้องมีใจที่สงบก่อนแลใจที่จะสงบได้ก็ต้องมีศีลเป็นผู้สนับสนุนเพื่อที่จะกำจัดไม่ให้ใจต้องไปวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆ ไปวุ่นวายกับการกระทําผิดการกระทําบาปต่างๆนั่นเองเพราะเวลาทําบาปแล้วใจจะมีความวุ่นวายจะไม่สงบจะทําให้การทําใจให้สงบนี้ยากลําบากไม่สามารถที่จะทําได้จึงต้องรักษาศีลแปกันก่อนจะรักษาศีลแปก็ต้องรักษาศีลห้าให้ได้ก่อนก็คือการไม่ทําบาปทั้งปวงต้องพยายาม ถือศีล5้านี้เป็นเป็นนิจจะศีลคือเป็นปกติจะไม่ทําการทําบาป ท, ทั้ง5้าข้อนี้ตลอดเวลาแล้วพอ ร, รักษาได้แล้วก็จะมีกําลังที่จะรักษาศีลแปดได้รักษาศีลแปดได้ก็จะภาวนาทําใจให้สงบได้ใจสงบก็สามารถจเจริญวิปัสสนาเจริญปัญญาได้ เห็นโทษของความอยากได้เห็นคุณของความจริงเห็นคุณของอนิจจังอนัตตาเห็นโทษของความอยากที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็จะละความอยากได้แล้วก็จะอยู่กับความจริงเสมอไม่กลัวความจริงเพราะความจริงนี้ไม่ได้ทำให้เราทุกข์ความกลัวความจริงหรือความไม่ยอมรับความจริงนี้ต่างหาก ที่ทำให้ใจเราทุกข์ความจริงนี้มันไม่ได้มาทำลายใจได้ไม่มีอะไรทำลายใจได้นอกจากความปลอมความไม่เห็นความจริงเลยทำให้เกิดความอยากคิดว่าจะทำให้ร่างกายไม่แก่ได้ทำให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้ทำให้ไม่ตายได้อันนี้เป็นความปลอมเป็นความเห็นผิด ความเห็นถูกที่ความเห็นที่ถูกต้องต้องเห็นว่าห้ามไม่ได้ห้ามไม่ร่างกายแก่ไม่ได้ห้ามไม่ให้เจ็บไม่ได้ห้ามไม่ให้ตายไม่ได้ถ้าเห็นว่าห้ามไม่ได้ก็จะไปอยากทาไมอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายทาไมถ้าไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเวลาร่างกายแก่ก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อน เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนเวลาที่ร่างกายตายไปก็จะไม่เดือดร้อนเพราะว่ามีปัญญามองเห็นว่าสิ่งต่างๆเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงเขาได้ความอยากที่จะไปเปลี่ยนแปลงเขานี่แหละที่เป็นโทษเป็นตัวที่ทำให้ใจเราทุกข์ เป็นตัวที่ทำให้ใจเราต้องไปเกิดแก่เจ็บตายไปเวียนว่ายตายเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่ไม่มีไม่รู้จักจบจากสิ้นแต่พอเรามาได้พบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเรามาละความอยากกันด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาถ้าเราน้อมนาเอาไปปฏิบัติได้ เราก็จะตัดความอยากต่างๆไปได้ตามลําดับจนสามารถตัดได้ทั้งหมดถอนรากถอนโคนของความอยากออกมาหมดออกมาจากใจได้หมดพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์เป็นงานตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้กระทําคือชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการภาวนา ด้วยการละบาปทั้งปวงด้วยการเจริญกุศลให้ถึงพร้อมนี่คือการบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชาเพราะพระพุทธเจ้านี้ไม่ต้องการอะไรจากเราเพราะพระพุทธเจ้านี้ท่านเป็นมหาเศรษฐีต่อให้เราถวายเงินทองให้กับพระพุทธเจ้าเป็นร้อยล้านพันล้าน ก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่ไปเปลี่ยนแปลงอะไรกับสถานภาพของพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำให้พระองค์รวยขึ้นมาได้อย่างใดแต่การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะทำให้พระองค์นี้มีความชื่นชมยินดีมีความหายเหน็ดหายเหนื่อยที่อุตสาหสละพระวรกายเวลาของพระองค์ มาเผยแผ่สั่งสอนธรรมะให้แก่พวกเราเพื่อให้พวกเราได้พบกับความสุขที่แท้จริงได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่ถ้าไม่มีพระองค์มาเป็นผู้สั่งสอนแล้วจะไม่มีใครในโลกนี้สามารถที่จะหลุดพ้นออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้เลยดังนั้นขอให้พวกเรา จงพยายามบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูบชาเถิดแล้วจะทำให้เหล่านี้ได้พบกับความสุขและความเจริญและทำให้เหล่านี้เป็นคนที่มีความกะตันอยู่อย่างแท้จริงการแสดงวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอหยุดติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้ผ่อนอยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรินติสาคารังเอวเมวะอิโตทินางเปตานาังอุปกับปฏิอิชิตังปฏิตังตุ่มหังคิดปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรินตุจังกปา จันโทปนาระโสยถามณิชโชติระโสยถาสภิติโยวิวาจันโตสัพพโรโควินั ส, สตุมาเตภวตวันตรารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีฤทธะนิจจังวุฒาปจายโนจตรารโอธรมมวาธานติ อายุวันโสุขังภาลางังต่อไปนี้จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดที่มีความสงสัยมีความไม่เข้าใจอยากจะถามปัญหาข้อใดก็ขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟน เพราะว่าจะได้ยินเสียงคำถามเวลาตอบคนฟังจะได้ทราบว่าตอบกับคำถามอะไหนการถามปัญหาตอบมันก็ทำให้เกิดความกระจ่างขึ้นเรามีอะไรเราไม่เข้าใจไม่ต้องเก่งใจไม่ต้องอายเพราะว่าถ้าเราฉลาดเราก็ไม่ต้องมาที่นี่กัน เั้นเราถือว่าอยู่ในตุ่มน้ำมันเดียวกันถ้าไม่มีก็จะให้ที่เขาถามทางผ่านทางบ้านมาก่อนถามก่อนต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากคุณเข็มทำอย่างไรจะไม่กลัวคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเรากลัวอะไรวิธีที่จะไม่กลัวก็ต้องเข้าหาสิ่งที่เรากลัว พราะถ้าเราไม่เข้าหาสิ่งที่เรากลัวความกลัวมันก็จะไม่เกิดแล้วถ้าเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาเราจะได้เอาวิธีดับความกลัวมาแก้ได้วิธีแก้วความกลัวนี่ก็มี2วิธีด้วยกันคือการใช้สติคือการเจริญสติให้ใจอยู่กับอ า, อารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งเช่นอยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธ เวลาเกิดความกลัวขึ้นมาก็ให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าส่งใจไปหาสิ่งที่ทําให้เรากลัวอย่าไปคิดถึงสิ่งที่เรากลัวให้คิดอยู่กับคําว่าพุทโธพุทโธไปถ้าเราสามารถเกาะติดอยู่กับพุทโธได้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบแล้วความกลัวก็จะหายไปเราก็จะรู้ความจริงว่าสิ่งที่เราคิดว่าน่ากลัวนั้นมันไม่น่ากลัว สิ่งที่น่ากลัวก็คือความกลัวของเราเองพอเราดับความกลัวของเราได้แล้วใจเราก็จะเย็นจะสบายอันนี้เป็นวิธีแรกวิธีที่ง่ายวิธีที่สองเป็นวิธีที่ยากกว่าแต่ต้องอาศัยผ่านวิธีแรกมาก่อนถึงจะมีกําลังที่จะทําวิธีที่สองได้วิธีที่สองก็คือต้องศึกษาใช้ปัญญาวิเคราะห์สิ่งที่เรากลัวว่าเขาเป็นอะไรกันแน่เอ เป็นอย่างที่เราคิดหรือไม่แล้วถ้าเป็นเราห้ามเขาได้หรือไม่มีอยู่สองประเด็นด้วยกันเช่นเราคิดว่าเป็นผีอย่างมีหลวงพ่อรูปหนึ่งท่านไปนั่งอยู่ในป่าชาแล้วพอภาวนาไปสักระยะหนึ่งก็ได้ยินเสียงแกลกแๆกแ ก, ก, แ ก, ก, แ ก, กท่านก็คิดว่าผีมาแต่ท่านอยากจะรู้อยากจะพิสูจน์ว่ามันเป็นผีหรือเป็นอะไรกันหนาะท่านก็เลยควบคุมใจแล้วก็บังคับให ตัวท่านเดินไปหาเสียงที่กําลังเกิดคือ น, นั้นว่าเป็นผีหรือเป็นอะไรพอไปถึงใกล้เสียงนั้นแล้วส่องไฟฉายดูก็เห็นเป็นสุนัขแทะกระดูกอยู่นี่ก็คือวิธีที่เราจะแก้ความกลัวได้วิธีหนึ่งหรือว่าสิ่งที่เรากลัวนั้นเราไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้เราก็ต้องทำใจ เช่นเรากลัวความตายอย่างนี้ถ้าถึงเวลาเราจะตายนี่เราไปยับยั้งมันได้หรือเปล่าห้ามมันได้หรือเปล่าห้ามมันไม่ได้กลัวยังไงมันก็ตายถ้าถึงเวลาจะตายถ้าเราใช้ความคิดอย่างนี้เราก็จะหายกลัวได้เราถ้าเรายอมรับความจริงว่าเราเกิดมาแล้วไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องตายกันไปทุกคน นี่ก็คือวิธีที่สองก็คือใช้ปัญญาใช้ปัญญาพิจารณามองความจริงมองให้เห็นว่าเหตุการณ์ที่เรากลัวหรือสิ่งที่เรากลัวนี้เป็นอนัตตาคือมันไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเราที่เราจะไปจัดการได้ไปเปลี่ยนแปลงได้ไปทําอะไรได้แต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือทําใจถ้าเราทําใจยอมรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใจของเราจะไม่ทุกข์จะไม่กลัว ใจของเราจะสงบจะสบายเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะหายกลัวเราจะไม่มีวันกลัวอีกต่อไปถ้าใช้วิธีแก้ด้วยปัญญาถ้าเราใช้วิธีแรกคือแก้ด้วยสติเราก็จะต้องแก้ไปเรื่อยๆทุกครั้งเวลาที่เราเกิดความกลัวแต่ถ้าเราใช้ปัญญาเช่นเราคิดว่ามีภัยมีผีจะมาทำร้ายเราแล้วเราก็ปงไปเลยว่าอา้าวยอมตาย ถ้ามันจะมาบีบคอเราตายก็ให้มันบีบไปเลยถ้าเราปลงได้จริงๆนี้ใจจะหายกลัวใจจะเข้าสู่ความสงบได้เราจะเห็นคุณของการปล่งว่าเป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์กับจิตใจของเรานี่ก็คือวิธีแก้ความกลัวสองวิธีด้วยกัน คำถามต่อไปจากคุณวิ ล, วลาลัยไม่เข้าใจคําว่าอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาค่ะก็ศีลก็มีหลายระดับเหมือนโรงแรมที่มีหลายดาวโรงแรมดาวหนึ่งกับโรงแรมห้าดาวมันก็มีความแตกต่างกันมีห้องนอนเหมือนกันมีห้องน้านเหมือนกันแต่ความละเอียดความความหรูหรานี่มันต่างกัน การในศีลก็มีศีลต่ำกับศีลสูงศีลต่ำก็คือศีลที่เราเริ่มทํากันรักษากันแบบน้มลุกคุก ค, คานี่เรียกว่าศีลต่ำรักษาได้วันพระวันไม่พระก็รักษาไม่ได้ถ้าเป็นอธิศีล น, นี่ก็รักษาได้ตลอดเวลาได้ทุกวันอธิจิตนะคะก็จิตชิดเหมือนกันจิตที่สงบที่เราสามารถรักษาได้บ้างรักษาไม่ได้บ้างก็เรียกว่าเป็นจิตที่ยังไม่ใช่เป็นอธิจิต เราเป็นอธิจิตแล้วก็เป็นจิตที่เราสามารถรักษาให้สงบได้ตลอดเวลาอธิปัญญาค่ะก็เหมือนกันก็มีปัญญาตลอดเวลาคำถามต่อไปจากคุณอา玛แนวทางการปฏิบัติสมาธิสําหรับการเริ่มต้นควรจะปฏิบัติอย่างไรคะควรเจริญสติก่อนควรควบคุมใจไม่ให้ลอยไปลอยมาใจเรานี้เป็นเหมือนลูกกอล์ฟถ้าเราอยากจะตีให้มันเข้าหล่มนี้เราต้อง พยายามตีให้มันมาที่ปากหลุมอย่าให้มันไหลไปที่อื่นถ้ามันไหลไปที่อื่นนี่มันจะไม่เข้าหลุมใจของเราจะเข้าสู่ความสงบได้จะต้องอยู่กับอารมณ์เดียวจะต้องนิ่งจะต้องไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราถึงต้องใช้การเจริญสติเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธนี่เรียกว่าเป็นการเจริญสติที่เราสามารถทาได้ตลอดเวลา ยกเว้นเวลาที่เราต้องใช้ความคิดในการทำงานต่างๆเวลาที่เราไม่ต้องใช้ความคิดเราสามารถใช้พุทโธได้ตลอดเวลาควรจะใช้เพราะจะได้ดึงใจไม่ให้ลอยไปเรื่องนั่นเรื่องนี้ไปอดีตไปอนาคตแล้วถ้าเราดึงใจได้เวลานั่งสมาธิก็เหมือนกับเราได้ตีลูกกอล์ฟมาอยู่ที่ปากหลุมแนละ้วตีไปอีกทีเดียวมันก็ลงหลุมได้ แต่ถ้าลูกก๊อปันยีห่วงกายเป็นวานี่นั่งไปนั่งสมาธิไปยังไงมันก็ไม่สงบใจมันไปอยู่ที่อื่นมันไม่ได้อยู่ที่พุทโธงั้นเราต้องฝึกพุทโธฝึกสติก่อนที่เราจะมานั่งถ้าเราไม่ฝึกพอมานั่งนี้ต้องไปไล่ตีต้องไปดึงใจให้มาอยู่ที่ปากหลุมกว่าจะมาถึงปากหลุมได้ก็หมดแรงเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็เลิกเลิเลกนั่งไปการนั่งก็เลยไม่เคยเกิดผลขึ้นมา เพราะเราไม่เตรียมตัวไว้ก่อนไม่เตรียมใจไว้ก่อนไม่ดึงใจไว้ให้อยู่ที่ปากหลุมก่อนนะเราต้องฝึกสติอยู่เรื่อยๆเพื่อดึงใจให้อยู่ปากหลุมของสมาธิไม่ให้ลอยไปกับเรื่องนั้นลอยไปกับเรื่องนี้นี่คือวิธีฝึกสมาธิในเบื้องต้นต้องฝึกสติก่อนแล้วพอมีสติมีเวลาว่างก็หาหมุมสงบหาที่ไม่มีอะไรรบกวน เพราะถ้ามีสิ่งรบกวนมันจะทำให้ใจสงบยากต้องไปนั่งที่เงียบๆที่คนห้องอยู่ในห้องคนเดียวอย่างนี้ปิดประตูห้องไม่ให้เสียงเข้ามาไม่ให้ใครเข้ามารบกวนแล้วเราก็จะได้มีความสะดวกในการที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้ต้องพยายามทำบ่อยๆทำมากๆไม่ใช่ทำครั้งสองครั้งราหวังว่าจะได้ผล ทำมากเท่าไหร่โอกาสที่จะได้ผลก็จะมีมากขึ้นไปตามลำดับแล้วพอทำได้แล้วต่อไปก็จะง่ายและจะทำได้อย่างสะดวกรวดเร็วคำถามต่อไปจากคุณมายุรีดิฉันมีปัญหาคือญาติผู้ใหญ่ที่มีพระคุณมากเทียบเท่ากับแม่เข้าใจเราผิดเพราะคำพูดของคนอื่นไม่ยอมเปิดใจรับฟังเราเลยท่านใจแข็ง แล้วเราจะทำยังไงดีท่านโกรธนานแล้วค่ะดิฉันรู้สึกไม่สบายใจมันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงแต่เป็นเรื่องความรู้สึกขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะก็เพราะว่าเราไม่เห็นคาว่านัตตานั่นเองคือว่าแม่นนี้ไม่ได้เป็นคนที่เราจะสั่งให้เขาเชื่อเราได้เขาจะเชื่อไม่เชื่อนี้เราไปสั่งเขาไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปหวังอะไรเขาจะเชื่อก็ดีเขาไม่เชื่อก็ดีให้คิดอย่างนี้แล้วเราก็จะสบายใจปัญหาไม่ได้อยู่ที่แม่จะเชื่อเราหรือไม่เชื่อปัญหาอยู่ที่เราอยากให้แม่เชื่อเราไม่เชื่อคนอื่นซึ่งมันเป็นเหตุที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาถ้าเราอยากจะแก้ความไม่สบายใจเราอย่าไปแก้ที่คนอื่นมาแก้ที่ใจของเรา แก้ที่ความอยากของเราที่อยากจะให้เขาเป็นดังใจอยากของเราเพราะเราไม่สามารถที่จะสั่งให้เขาเป็นไปตามใจอยากของเราได้นั่นเองคําถามต่อไปจากคุณอนิจจังทําอย่างไรจึงจะอยู่ร่วมกับเจ้ากรรมนายเวรได้อย่างมีความสุขคะก็ต้องทําใจให้นิ่งให้สงบให้สักแต่ว่ารู้เขาจะพูดอะไรเขาจะทําอะไรก็สักแต่ว่ารู้ไปอย่ามีอารมณ์ เกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับรู้เขาจะด่าก็รู้เฉยๆเขาจะชมก็รู้เฉยๆเขาจะทุบจะตีก็ให้รู้เฉยๆว่าเขาได้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แต่เราอย่าไม่มีปฏิกิริยามีอารมณ์ตอบโต้แล้วเราก็จะอยู่กับเขาได้อย่างสบายวิธีที่จะอยู่อย่างนี้ได้ก็ต้องฝึกสมาธิกับฝึกปัญญาให้มากสมาธิก็จะช่วยทาให้ใจมีกาลังให้อยู่นิ่งปัญญาก็จะช่วยบังคับ ตัดบังคับใจไม่ให้ออกไปตอบโต้ได้คำถามต่อไปจากคุณอดอเรเทสในเวลาภาวนาเราเห็นอดีตชาติของตนเองเห็นถึงความทุกข์ความพลัดพรากเราก็วางแต่เป็นลักษณะแบบนี้มาหลายอาทิตย์แล้วเรียนสอบถามถึงวิธีการแก้ไขและแนวทางการปฏิบัติต่อไปค่ะ คือการภาวนานี้เราไม่ควรจะเห็นอะไรถ้าเห็นนั้นเราควรจะกลับมาที่สติกลับมาที่อารมณ์ที่เราใช้การในการภาวนาถ้าเราใช้พุโทโธก็ให้กลับมาหาที่พุโทโธถ้าเราใช้ลมหายใจก็กลับมาหาลมหายใจอย่าไปสนใจอย่าไปรับรู้กับสิ่งต่างๆที่ปรากฏถ้าเราไม่ไปสนใจเราอยู่กับการภาวนาของเราเดี๋ยวใจของเราก็จะรวมเข้าสู่ความสงบ แล้วใจของเราก็จะมีกำลังคือมีอุเบกขาที่จะทำใจให้นิ่งเฉยได้เวลาที่ไปประสบพบกับสิ่งต่างๆใจเราจะไม่ทุกข์จะไม่เดือดร้อนนี่คือเป้าหมายของการภาวนาเพื่อทําใจให้เรามีอุเบกขาแล้วเวลาที่เราออกจากสมาธิมาเราไปเจอสิ่งต่างๆเราก็จะใช้อุเบกขานี้ควบ ก, กับปัญญา ที่เราจะสอนต่อไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนเขาได้เสมอไปสั่งเขาได้เสมอถ้าเราสั่งไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เราก็ทำใจเฉยๆก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะงั้นเวลาภาวนานี่อย่าไปสนใจกับสิ่งที่ปาปรากฏให้รับรู้มันเป็นเหมือนกับ ภาพลวงภาพหลอกเสียเวลาเปล่าๆยกเว้นเป็นภาพที่เกี่ยวกับอริยสัจสี่ที่เกี่ยวกับความตายความแก่ความเจ็บถ้าเห็นภาพเหล่านี้ก็จะเป็นคุณเป็นประโยชน์เพราะว่าเราจะได้เอามาใช้ในการเจริญปัญญาได้แต่การเห็นสิ่งต่างๆในขณะที่ภาวนานี้ยังไม่ได้หมายความว่าเราได้แก้ปัญหาแล้วเพราะปัญหาของเรามันไม่ได้เกิดในขณะภาวนา มันจะเกิดในเวลาที่เราออกมาเจอโลกของความจริงเจอเหตุการณ์จริงเจอพบกับความแก่ความเจ็บความตายของบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้เจอกับความเจริญความเสื่อมของสิ่งต่างๆเวลานั้นแหะเราถึงจะรู้ว่าเร า, เาปฏิบัติทําข้อสอบได้หรือไม่ทําใจของเราไม่ไม่ให้ทุกข์กับสิ่งต่างๆได้หรือไม่ถ้าเราทําได้ก็แสดงว่าเราหลุดพ้น เนต้องต้องต้องต้องรู้ว่าขณะที่เราอยู่ในสมาธินี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นการทำการบ้านยังไม่ได้เข้าห้องสอบการจะเข้าห้องสอบนี้ต้องออกมาเจอของจริงเช่นเวลาเราไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเป็นมะเร็งแล้วรักษาไม่หายแล้วดูซิว่าใจของเรานี้จะเป็นอย่างไรถ้าใจเรายังเฉยเหมือนกับตอนที่ก่อนจะมาหาหมอก็แสดงว่า ใจของเราไม่เดือดร้อนใจของเราไม่ทุกข์ใจเราหลุดพ้นจากความทุกข์แต่ถ้าพอมาเจอหมอหมอบอกว่าจะตายนี่ก็หมดกําลังจิตกําลังใจไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงอันนี้แสดงว่าใจของเรานี้ยังไม่มีธรรมยังไม่สามารถที่จะระงับดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้เพราะยังมีความอยากอยากไม่ตายอยู่นั่นเอง แต่ผู้ที่มีปัญญาแล้วจะไม่มีความอยากไม่ตายเพราะรู้ว่าเมื่อถึงเวลานี้อยากไปก็ก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้ถึงเวลาจะ ต, ตายก็ต้องตายผู้ที่ได้เจริญปัญญาอยู่เสมอได้ซ้อมใจอยู่เสมอเตรียมรับกับความตายอยู่เสมอพอเวลาความตายมาก็จะไม่เดือดร้อนจะรู้สึกเฉยเฉย คำถามต่อไปจากคุณจริงหรือถ้าที่พักอาศัยอยู่ไม่สงบเพราะอยู่กันหลายคนและที่ทำงานก็เสียงดังเราเลี่ยงไม่ได้ในสิ่งเหล่านี้แต่เราต้องการทำสมาธิต้องการความสงบจะต้องทำอย่างไรดีครับก็ต้องหาที่สงบเท่านั้นแ่ะคือก็ต้องหาเวลาที่เราพอที่จะไปปลีกวิเวกได้ เช่นวันหยุดวันอะไรที่เราไม่ต้องทำงานเราก็ไปหาที่สงบไปทำสมาธิของเราแต่วันที่เราทำงานเราต้องอยู่กับความวุ่นวายเราก็ต้องทำใจอย่าไปอยากสงบเพราะว่ามันจะทำให้เราทุกข์ไปเปล่าๆพยายามทำใจให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็แล้วกัน แล้วก็ต้องตั้งเป้าว่าถ้าเราต้องการจะทําสมาธิอย่างจริงจังเราก็ต้องตัดสิ่งต่า ง, างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการกระทําเราก็ต้องลาออกจากงานลาออกจากครอบครัวลาออกจากเพศของคารวะแล้วก็ไปบวชเป็นพระเป็นนักบวชไปบวชเป็นพระเป็นชีแล้วก็ได้ไปหาที่สงบสงัดวิเวกตามป่าตามเขา แล้วเราก็จะได้ทำสมาธิอย่างเต็มที่คำถามต่อไปจากคุณตุ้มนั่งสมาธิจับลมหายใจเข้าออกโดยภาวนาพุโทโธไปเรื่อยๆสักพักรู้สึกปิติขนลุกต่อมารู้สึกสุขมากๆหลังจากสุขรู้สึกตัวเบาเหมือนไม่มีตัวตนเลยลมหายใจก็ไม่ได้ภาวนานิ่งสงบ รู้อยู่กลางใจแต่ได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าได้ยินแล้วก็ละไปมาดูอยู่กับตัวรู้มีอะไรเดินผ่านหลังก็รู้แล้วก็ละดับมันไปและกลับมาอยู่กับตัวรู้สงบนิ่งเบาสบายเหมือนได้พักผ่อนปฏิบัติแบบนี้ถูกทางไหมคะและช่วยชี้แนะแนวทางปฏิบัติต่อไปด้วยค่ะ ปฏิบัตินี้ก็ถูกแล้วเรียกว่าใจได้พบกับตัวรู้ได้รู้จักวิธีดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเวลาเราออกจากสมาธิมาเราก็ควรที่จะทำต่อคือไม่ไม่ใช่ทำแต่เฉพาะเวลาอยู่ในสมาธิเวลาออกมาจากสมาธิเราก็พยายามอยู่กับตัวรู้ต่อไปอย่าไปตอบตอบโต้กับสิ่งต่างๆที่เราปาที่มาปรากฏให้เรารับรู้ ใครก็จะพูดอะไรใครก็จะทําอะไรเราก็รู้ไปเฉยๆถ้าจะมีการตอบโต้ก็ต้องมีเหตุมีผลเช่นเขาถามว่าไปไหนมาไหนเราก็พูดไปเท่านั้นแต่เราจะพยายามควบคุมไม่ให้มีอารมณ์รักไม่มีให้เกิดอารมณ์รักช่างกลัวหรือหลงกับสิ่งที่มาปรากฏให้เรารับรู้ให้เราสักแต่ว่ารู้เหมือนกับขณะที่เราอยู่ในสมาธิ ถ้าเราไม่สามารถทำได้เราก็ต้องใช้ปัญญามาช่วยถ้าเรามีปัญญาเห็นว่าเขาเป็นไตรลักษ์เราก็จะสักแต่ว่ารู้ได้ควรพยายามทำไปนี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อให้ใจปล่อยวางทุกอย่างให้เพียงแต่รับรู้หรือถ้าจะต้องมีการปฏิบัติก็ปฏิบัติด้วยเหตุด้วยผลกับสิ่งที่มาให้รับรู้แต่จะไม่ปฏิบัติด้วยอารมณ์ คำถามต่อไปจากมีผู้ฝากถามพอเริ่มนั่งสมาธิจะเริ่มรู้สึกว่าต้องคอยกลืนน้ำลายตลอดทำให้รู้สึกว่าไม่สงบเวลานั่งค่ะจะเป็นเป็นหายหายอยากทราบว่าควรทำยังไงคะมีวิธีที่ท่านพระอาจารย์แนะนำได้ไหมคะในเบื้องต้นลองสวดมนต์ไปก่อนก็นแล้วกันสวดบทยาว สวดไปจนกระทั่งรู้สึกเหนื่อยไม่อยากจะสวดแล้วค่อยหยุดแล้วค่อยมาดูลมหรือมาบริกรรมพุทธโธต่อไปเราคิดดูเราดูเสว่ายังเป็นปัญหาอยู่หรือเปล่าถ้ามันยังเป็นอยู่ก็อย่าไปสนใจมันพยายามอยู่กับพุทธโธไปอยู่กับลมหายใจไปถ้าเวลาที่เราสวดแล้วมันไม่มีปัญหามันก็ไม่น่าจะมีปัญหาถ้ามันมีก็อย่า อย่าไปให้ความสำคัญกับมันให้ความสำคัญอยู่กับการดูลมหรือให้ความสำคัญกับการบริกรรมพุดโธให้ความปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำเกินน้ำลายมันก็จะหายไปได้คำถามต่อไปจากคุณกอล์ฟข้อแรกผมใช้การดูท้องพองยุบ จนใจระลึกรู้ในบุญกุศลตั้งแต่เกิดยันปัจจุบันทั้งบุญและบาปจําได้โดยละเอียดทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องกับเราพยายามทําจิตผ่องใสไปโดยรอบภายในร่างกายจะเห็นตัวเองในตัวคือความจําได้หมายรู้ในจิตที่สามารถจําเหตุการณ์ต่างๆได้ตั้งแต่จิตเศร้าหมองจนผ่องใสแล้วออกมาระลึกถึงในแบบนี้โดย ไม่ได้ตั้งใจเป็นทางที่ถูกต้องใหม่ครับทําอย่างนี้ไม่ถูกเพราะใจปรุงแต่งไปอดีตไปอนาคตการภาวนานี้ต้องการให้ใจอยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับความว่างไม่คิดปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลหรือเรื่องเหตุการณ์อะไรต่างๆที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วก็ดีหรือเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ดีอันนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาคิดเรื่องราวเหล่านี้ เวลาที่เราทำสมาธินี้เป็นเวลาที่เราต้องการที่จะหยุดความคิดต่างๆไม่ต้องไปคิดให้เกาะติดอยู่กับอารมณ์เดียวถ้าเราใช้ยุบหนอพองหนอก็ให้รู้อยู่กับการยุบหนอพองหนอกของหน้าท้องเท่านั้นแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่อเบขาได้ส่วนเรื่องการจะพิจารณาบาปบุญคุณโทษอะไรต่างๆนี้ต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อน แล้วก็ใช้ปัญญามาพิจารณาอันไหนเป็นคุณเราก็จเจริญต่อไปอันไหนเป็นโทษเราก็ละไปอันนี้ต้องทำอีกขั้นหนึ่งอีกตอนหนึ่งไม่ใช่เวลาที่ทำสมาธิเวลาทำสมาธินี้ต้องการพักความคิดพักอารมณ์ต่างๆให้ใจว่างให้ใจสง บ, บใจเป็นโอเบขาแล้วใจจะมีความสุขมีพลังมีกำลังที่จะออกมาพิจารณาทุกอย่างด้วยเหตุด้วยผลได้ ข้อที่สองถ้ากำลังความรู้ในเรื่องราวต่างๆยังไหลเข้ามาสู่ใจเรื่อยๆในขณะออกจากสมาธิแล้วควรจะตามรู้ให้หมดซึ่งเป็นความเพลินหรือใช้ทาบทใดกำกับใจครับควรจะดึงใจเข้ามาพิจารณาในวงของขันห้าจะดีกว่าพิจารณาเรื่องร่างกายเป็นเป็นข้อแรกเป้าแรก ศึกษาร่างกายนี้ให้เห็นอย่างท่องแท้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราไม่สวยไม่งามเป็นซากเป็นศพในอนาคตมาจากดินน้ําลมไฟเป็นเพียงอาการสาสองนี่คือสิ่งที่เราควรจะศึกษาให้รู้อย่างถ่องแท้ทั้งของเราและของผู้อื่นเพื่อเราจะได้ปล่อยวางไม่ไปหลงไปยึดไปติดว่าเป็นตัวเราเป็นตัวเขา ความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นตัวไข่ทั้งนั้นมันเป็นมันเป็นตัวของดินน้ำลมไฟทำมาจากธาตุสี่แล้วก็จะต้องกลับคืนสู่ธาตุสี่ไปในที่สุดถ้าเราศึกษาแล้ว เ, เห็นอย่างชัดเจนเราก็จะปล่อยวางอุปท า, านความยึดมั่นถือมั่นว่าเขาเป็นตัวเราเป็นตัวของแฟนเราของลูกเราของสามีเราของภรรยาเราของพ่อของแม่เรา เราจะเห็นว่าร่างกายของทุกคนนี้เหมือนกันหมดเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นอาการ32สองที่จะต้องแก่เจ็บตายไปในที่สุดนี่คือปัญญาเป้าหมายของการเจริญปัญญาอย่าปล่อยให้คิดแบบเละเทะใจอยากจะคิดเรื่องอะไรก็คิดไปไม่เป็นไม่เป็นประโยชน์เท่าที่ควรควรจะมาพิจารณาเรื่องที่เรากำลังมีปัญหาอยู่ดีกว่า ปัญหาก็คือร่างกายของเรานี้และร่างกายของคนอื่นที่เราเกี่ยวข้องด้วยเรามักจะทุกข์กับเขาเวลาที่ร่างกายของเขาหรือของเราเป็นอะไรไปแต่ถ้าเราได้ศึกษาอย่างท่องแท้ได้สอนใจอยู่เรื่อยๆใจจะเข้าใจแล้วใจจะไม่ทุกข์เพราะรู้ว่าทุกข์ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรหมดคำถามจากทางบ้านค่ะหลวงพ่อทาง ท, ทางในศาลานี้มีใครอยากจะถามต่อไห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 ไปไปคาร์ลตรวมันอยู่นเดีวกันแต่วเหรเรื่องแต่วันแรกท่าน ก, ทานก็ที่วัดไม่มีไานะคะคุณโยมแม่ท่านก็น่าสงสารมากคือรู้จักกับกับครอบครัวของท่านมาตั้งแต่ยิงไปพัานตายด้วยกันนะคะก็เลยร้น่าสงสารเป็นทั้ ง, สงสน้าทีา่รู้ควารึมเธอที่จริงๆาว่า ลำทําใจลําบากมากเพราะคนที่ความรู้สึกของคนนี้เป็นแม่นะคะคืออย่างตอนเผาเนี่ยก็ขึ้นไปบนเมนกกลับออกมาก็บอกว่าทําไมต้องมาเผาลูกทำไมถึงมาเผาลูกแต่ว่าครูบาอาจารย์ก็ดีค่ะไม่โลอกเป็นวิบากกรรมทีต้องมอเป็นธรรมดาเป็นครฉันแต่ว่า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 แยกคนดูออกเดี๋ยวสมุกใจว่าเดี๋ยวนี้คนมันทำ้ายพระได้นาดตอนอย่างนี้อ่ะมันคนห่างไกลอยากสินธรรมมากขนาดมันก็ันก็เป็นอย่างนี้ธรรมดาโลกเสือ่อมตอนนอยู่ในโลกเสื่อมยุคเสือเส่อมตรงนี้ก็เลยพอจะเข้าใจว่าทำไมท่านกาจาร์ถึงพยายามเร่งพวกกู ไม่ได้ยพยายามมันก็เป็นหน้าที่สันติวเกาบอกวันนี้ไม่อยากมากวนท่านแจนครับเพราะวันมาครับท่านแดนคนเย อ, อะเขาไม่อยากโหลดๆๆนะพยายามพิจารณาสังขารร่างกายด้วยเนะ <c oughs> ของเขาของเราเหมือนกัน <ๆ S 1> ต้องไปด้วยกัน ถ้าเรารู้ทันลรไปอย่างสบายเราไม่ทุกข์ถ้าเราหลงเราก็จะคิดว่าเราตายาจริงเราไม่ได้ตายในแบบร่างกายเราไม่เราไม่เจอตัวเราเราไม่เจอตัวรู้เราไอยู่ที่ตัวร่างกายก็เลยชื่อว่าเราเป็นร่างกายต้องดึงใจให้อยู่กับตัวรู้ให้กลับมาอยู่ที่ตัวรู้ดึงออกจากร่า ง, งกายต้องภาวนาเพื่อจะออกมาได้ พูดโทรพูดโทรทใจให้รัวแล้วก็ออกจากสมาที่จะคอยสอนใจวนะ่าไม่ใช่ตัวเราของเราเนะีย่ยเดี๋ยวต้องไปแล้วนะนเนี่ยไปนไปนี่เราต่อรองก็ไม่ได้เนะียเขาจะเอาเราอย่างเดียวนะเราก็ต้องเราก็ต้องสู้เขเอาไปเลย <c oughs> <c oughs> เบื่อแล้วเลี้ยงดูมานานพอแล้ว ตอนนีมีประโยชน์ใดไหมดัะนั้นถ้าสุดได้ทําเนี่ยนะคะท่านอาจารย์มนเกิดสภาวะอย่างนี้เราก็ยังทันไหมคะท่านทันใจมันเดียวากัทุกสิ่งอย่างแล้วสติปัญญาเป็น ส, สติปัญญาตโนธ น, นล้วมันหมุนตลอดเวลา <c oughs> มันเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลามันเตรียมตายตลอดเวลา ทางกายพุ่งมหัยใจเท่าออกวานาโนสติรู้อยู่ตลอดเวลาต้องเป็นปัญญทดสอบตัวเองอยู่เรื่อยๆไงางพร้องตายด้ือยังลูกประมาณว่าเหมือนกับเราเท่าจําเหรอถ้าเรายังไม่เคยลงสนามสอบจะไมเจอของจริงจะไม่จำจะไม่จำจำต้องเจอของจริงด้วยต้องไปเจอเสือเจออะไรที่น่ากลัวต้องไปเจอสิ่งที่น่ากลัวมันมันจะจริง ตอนนี้มันก็ยังไม่จีนตอนนี้ก็ยังเหมือนกับโชคกระสอบทรายอยู่ โ, โชคกระสอบทราก็ชคคู่ต่อสู้เหมือนกันแต่ก็ยังดีกว่าไม่ชคเลยต้องมีตอนนี้ซ้อมตลอดต้องซ้อมตลตอดเดี๋ยวพอไปเจอของจีนจะได้จะได้สู้กับเขาได้เหมือนทํากันบ้านพอถึงเวลาจะสอบก็ทำํำก็สอบได้เพราะผก็สอบมันก็มาจากการบ้านที่เราทํลทาละงานเดียวกัน พยายามพิจารณาอยู่เรื่อยๆความตายพยายามทำใจให้สงบถ้าพิจารณาความตายไม่ได้แสดงว่าใจไม่สงบพอใจหดหู่ใจไม่อยากพิจารณาก็หยุดพิจารณาก่อนกลับไปทำใจให้สงบก่อนพอใจออกจากความสงบแล้วก็พิจารณาเพราะว่าจากที่ไปเนี่ย ถามว่าในบางขนาดที่เราดูเราก็หดหูนะคะท่านเองค่ะก็พยายามนึกถึงคําสอนเองื่านกันารย่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบางทีมันก็กลับกลับเข้ามาในสู่ความหดหู่ใจเรามันไม่สงบเไงใจเรายังทํางานยังปรุงแต่งอยู่เลยถาใจสงบแล้วมันจะปรุงแต่งน้อยถ้าใช้ปัญญามันก็จะกลับไปสู่ความสงบได้ก็รู้สึกว่านี่มันเป็นการยากอย่างยิ่งเลยเพราะว่า พ่อพแม่ครูอาจารย์ทุกองค์ท่านก็พยายามพูดกับกับโยแม่นะคะคือก็ได้สังเกตเลยว่าค่อยๆโยแม่ท่านเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะกลับมาตรงเดิมแล้วท่านก็จะมีความวนอยู่ที่เดิมท่านก็จะถามว่าทําไมถึงทําท่านทําไมไปทําท่านเราลืมไปไม่รู้ความจริงไงว่ามันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นตุก<ฆ>ตาตัวหนึ่งนั่นเองใครจะทำว่าช่างหวงัวมันไปไันตร็นองผิดประเด็น ไปมองว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นลูกเราอะไรนี้ก็เลยถ้าเป็นมองว่าเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งนะตอนนั้นเองท่านมาแจกดินน้ําลมไปต้องเห็นอย่างนั้นจากแต่ว่าร่างกายศัตว์แต่ว่าผมขนและฟันหนึงเหนือเอ็นกระดูกไม่มีตัวไม่มีตน ไ, ไ, ไม่มีหมอบัณฑิตอยู่ในอาการกาที่สองนั้นหมอบัณฑิตไปไหนแล้วไม่รู้ นี่เหลืออยู่นี่เป็นตุ๊กตาเนี่ ย, ย ต, ตัวนี้นี่ขนปั้นกันปั้นได้งาใจน้ให้เห็นว่าเป็นตุ๊กตานี่ร่างกายเนี่ยจะได้จะได้ไม่เดือดร้อนกับมันใ <c oughs> นขณะที่ขึ้น ลูกลูกทำงา น, นมันต้องบินเจ้าค่ะและ้วเวลาที่เอ อ, อากาศมันน่ากลัวมากคือลูกก็ในใจในใจลูกก็คิดว่าตายแน่ตายแน่ตายแ น, ยแน่ถึงเวลาตายแต่มันยังมีมีลึกของจิตมันมีความแกว่งใจมันเต้นไวนแต่ว่ามันไม่มันไม่ปล่อยแน่ไงมันไม่ปล่อยแน่มันเแต่พูดแล้วแนนะ่แต่ยังไม่ปล่อยออแต่แล้ว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 ก็คือทาถูกต้องแล้วใชถูกต้องไม <c oughs> ยึดติดกับอะไรทั้งนั้นเพราะการยึดติดจะทําให้ใจเราทุกทรมานถ้าเราไม่อยากทุกข์ทรมานเราก็ต้องปล่อยเราจะไปให้เขาไปแค่นั้นเองห้ามขาไม่ได้ต้องภาวนาเยอะๆแต่เนี้ยทำได้ทดําอย่างนี้ไม่มีทางไม่มีต้องทำ เ, เป็นเดินเป็นกีป่ปีเลย ครูบาอาจารย์นั่นนั้นท่านบวชกันมากี่ปีท่านถึงนิ่งเฉยได้เวลาไปงานศพไปแล้วท่านก็เฉยพวกเราไม่ได้ทําอย่างท่านจะไปนิ่งเฉยได้อย่างไรว่าท่านกันน้อตอนที่ท่านท่านก็สงบนะคะพอเวลาที่จะสุนมาเนี่ยเข้าทะลุหัวใจเลยท่านก็เอามือประคองไว้แล้วท่านค่อยๆหลค่อยๆนอนลงค่ะท่านรู้รู้รู้มีสติอยู่ตลอ แต่ว่าคนร้ายนี่ใจร้ายมายังยิงซ้ำอีกครั้งหนะะึงค่ะแต่ว่าอไม่อนุญาตให้ผ่าศพท่านเลยนะคะเพราะว่ากระสุนฝังในและผ่ายังไงก็ไม่เจอคะอ่ะท่านไม่อยากท่านไม่ต้องไหม ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไไ ม, ไไ ม, ม, ไ ม, มีหลักฐานอะไรเลยแต่ท่านคงอยาก จ, าจบอยู่ท่านจบตรงนั้นท่านไม่ต้องการจองเวรจองกรรม<ช>อาโหสิกรรมแต่แบบคนที่ทํานั้นเขาก็ยังต้องรับกรรมถึงแ<า>ม้ท่านจะ<ช>อาโหสิกรรมแล้วใช่อโหสิกรรมมันในส่วนที่ส่วนของท่านกับเขาแต่ส่วนที่เขาทำกับท่านมันเขาก็ยังต้องไปไปรับใช้ของมันอยู่ต่อ เหมเทวธธทัตทำกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็อโหสิกรรมให้แต่กรรมที่ทํานั้นมันนั่งไม่ได้มันก็ต้องไปรับใช้กรรมนั้นแต่จะไม่มีเวรจากจากพระพุทธเจ้ามามาทับถมอีกชั้นหนึ่งใช่เหมือ น, นกับรเราจองเวงใเรเวใครยังไง<ม>แล้วเราเข้ามาขออาภัยแล้วเรายกโทษให้เขาเราก็ไม่ไปทำร้ายเขาละแต่เขายังต้องไปติดคุกติดตารางอยู่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 เพราะมันทำจากในใจทำให้ใจทุกข์ทำให้ใจร้อนอ้ น, นี้ก็ล้างไม่ได้มันจะต้องให้มันเกิดผลขึ้นมาแล้วหมดกำลังของมันไปอย่างเทวทัศต่อไปก็จะออกมาจากนรกแล้วก็กลับมาบงเพ็ญต่อได้การจองนี้คือจิตไปพืจะตามกันอย่างนี้นเลยตาม ก็เวลาจเจอกันเมื่อไหร่ที่ไหนก็จะฝังมีจิใช่ใช่จะมีโอกาสที่จะทำร้ายเขาได้ก็จะทำร้ายเขาทนี้ส่วนอารมณ์ของคุณคุณแม่ท่านเนี่ยนะคะก็เหมือนกับผูกเวรใช่ไหมคะพ่อโกรธยังโกรธอยู่ยังโกรธ อ, อยู่ทุกครั้งเ<ก>มื่อ น, อ น, นึกว่าโกรธยังแข็งค่ะคือจะนึกอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมถึงดึงท่านท่านไม่ได้ทาอะไรคือจะไม่หายอันเนี้ย คือไม่ทราบ<ะ>ว่าเป็นโกรธหรือว่าเป็นเพราะว่าเสียใจ <c oughs> มันก็แล้วแต่ถ้านอาจะเสียใจแล้วก็เลยค่อยพัฒ น, นาออกมาว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้อะไรท่านนั้นเองคือท่านไม่เข้าใจหลักอนิจังว่าเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนถึงเวลาก็ต้องตายด้วยกัน <c oughs> ตายก่อนตายหลังตายแบบถูกเยิงแนละ้วตายแบบไม่สบายมันก็ตายเหมือนกันไม่เห็นตรงนี้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 อยอมรับโดยดุษฎีแต่ลูกขอขมานะเจ้าค่ะลูกลูกยังสับสนเกี่ยวกับเรื่องถ้าเราแผ่เมตตาเจ้าค่ะพอเราแผ่เมตตาให้กับเจ้ากับมในเวรแผ่ไม่ได้นะไม่ได้คือความเมตตานี่ให้เราเป็นการแสดงความปรารถนาดีเวลาที่เราพบปะกับบุคคลอื่นใช่เวลาเราเจอคนนั้นคนนี้แทนที่เราเจะหน้าบึ้งตึง ยาเขาว่าเขาก็ให้ทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสถามสารทุกขสุขดิบเรียกว่าแผ่เมตตาไม่ใช่อยู่ตรงนี้แล้วก็นั่งแผ่ไปรอบจักรวาลไม่รู้ใครคนรับอยู่ที่ไหนมันไม่ใช่ม ไ, มใชมไม่ใช่อันนั้นเป็นความเข้าใจ <c oughs> ตัวต้องแผ่เวลาที่คนเขาด่าเราด่าเราเราก็แผ่เขาเ อ, อ๋ไม่เป็นไรท่าไม่จองเวรถ้าไม่ถือโทษโกรธเคืองเธอ ก็นั่นเลยก็แผ่ของแผ่แบบนี้มันยากมันไม่ชอบแผ่ชอบไปแผ่ แ, แบบง่ายๆกัน แ, แผ่แบบไม่มีคนรับมันก็ง่ายแผ่แบบไม่มีเหตุมันก็ง่ายที่ให้แผ่ก็เพื่อเวลา ม, มันมีเหตุแผ่เมตตานี้เป็นวิญญาอย่าลังงาความโกรธความอาฆาตพยาบาทเพราะความโกรธอาฆาตพยาบาทนี้มันทําให้ใจทุกข์ใจเป็นใจเป็นไฟใจเป็นนรก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 อายวของขวัญไปให้เขาไปอวยพรขอให้มีความอายุยืนยาวนานนะนี่แหละเรียกว่าแผ่เมตตาไม่ใช่ไปวันเกิดเข า, าแช่งเขามึงตายเร็วๆนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ไม่ใช่แผ่เมตตา <c oughs> นั้นแผ่ความอาฆาตพยาบยาทเราั้นต้องต้องต้องแผ่ตอนที่มีคนรับเป็นคนก็ได้เป็นเดรัจฉานก็ได้ เ่อสนัขเจองูก็แผ่ให้มันได้แต่พระพุทธเจ้าแผ่ให้ช้างช้างปล่อยมาจะเหยียบพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็แผ่เมตตาช้างก็ไม่ทำร้ายท่หนหลวงปู่ขาวท่านก็มีช้างจะมาท่านประวัติทั้งท่านจะมาลุยกุฏิท่านยังไงเนี่ยท่านก็เลยออกมาคุยกับมันสนทนาท่ากในฐานที่สุดช้างเขาก็รู้ว่าเป็นเมตรกัน เขาก็เลยไม่มาทําร้ายกุเตท่านถ้าเป็นคนปกติทำได้นั่งมีกําลังสมาธิเดือปกติไปคุยกัใช้ยที่โดนยพลังพลังต่างกันนี่ไงใช่แล้วแต่ละาก็คนก็ต้องมีความสกบมันไม่ใช่คนแบบขี้กลัวอย่างนี้เรายังเคยคุยกับงูเห่าเลยเรานั่งอยู่บนแค่ภาวนาอยู่ข้างทางยงกม แล้วเราก็พอดีเมืนตาก็หาเห็นได้เห็นคางคกตัวนึงกระโดดรั บ, บ, บ, บับมาแล้วข้างหลังมันก็ไอ้งูหามันก็เลได้ตามมาแล้วเรก็ตะโกวนว่าเฮ้ยทำอย่างน ไ, ไม่ได้นะบาปนะเว้ ย, ยแล้วหยุดยดุยดก็หยุดแล้วก็พองโ<ฟ>มีไปทันโศทิะไม้คางคกมันไม่มีแรงมันจอดอยู <laughs> อย่ตรงนั้น อยู่นะันเรก็คุยกับมันอยู่สักพักหนึ่งไม่นานนะบอกให้ทำนี้ไม่ถูกเนะี่ยอยากไปทำร้ายเขาเหมือนก็ห<ป>มัอนก็ฟังเฉยแต่มันไม่เชื่อมันทาท่าจะเข้าไปคุบมันจะเริ่มอ้าปากนะพอดีเรามีหนังติ๊กอยู่แล้วพอหนนังยิ๊ตั้มมันเลยหนีไปเลยมนหลับไม่ได้แล้วไอ้ข้างเาก็ยังนั่งอยู่สักพักหนึ่ง แพอมันมันได้ะติดสดงกลับมาแล้วหนูกลับมุกเครื่องดีคื่องดีนะอันนี้แสดงว่าผ่นไม่สำเร็จท่านอาจารย์โ็้โหาเร็จาย์ไม่สำเร็ท่านเาจารย์เางจงอางที่ท่านจัรยไปปล่อยทุกแถวๆเขาฟังท่านจัรออกว่าที่ันตาตรนะเขารู้ภาษาตัวนั้นเนี่ยตัวนั้นพอดีเราเห็นแต่แต่หางมันเท่านั้นตอนที่ตอนที่เราไปติดประตู มันมันเข้าไปกินมันไปล็ไปไปติดอยู่ในวัดแล้วมันไปกินพวกกระรอกกระแตหลวงตามได้ไปบอกว่าให้ไปเปิดประตูให้มันมันจะได้มีทางออกไปแล้วพอดีตอนเช้าก่อนจะอบิณิบาตแล้วก็ไปปิดพอดีเห็นมันเห็นหางมันอยู่ข้างนอกแล้วก็โอ้ตัวใหญ่มัน๋ัวเท่ากับเท้าอย่างเงี้ยดาสีดำยาวแล้วได้ข่าวว่าไม่นานมันก็ถูกชาวบ้านฆ่าตาย คือถ้าปล่อยมันไว้มันก็กินกระรอกกระแตเลยต้องเปิดประตูให้มันออกก็ถ้ามันอยากจะออกก็ออกถ้าไม่ออกก็ต้องไปเปิดอยู่หลายวันด้วยกันอันนี้ก็เป็นกรรมเวรผูกเหมือนกันเหมือนกันไหมคะหรือว่าเป็นมันการหากินของเขาหรือเป็นกรรมเวรผูกคะก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเป็นกรรมของเขาที่มาเกิดที่จะต้องไปกินสัมเล็กสัมน้อยเขาก็ยังต้องทําบาปทาบาปก็กลังไปใช้บาปมันก็เลยตอนกว่าจะไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไม่ต้องกินสัม เป็นเป็นกินหญ้ากินวัวกินเป็นวัวเป็นควายกินผักกินหญ้ามันก็ไม่ต้องไปทำบาปแล้วมันก็จะได้มีโอกาสที่จะได้ออกจากเดลอาชานมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปได้นะแต่ถ้ามันยังเกิดเป็นสัตว์ที่ต้องกินกันอยู่มันก็ยังต้องเว้นเว้นอยู่ในมันไปก่อนเห็น อ, อันตรายหน้าบาปนี่อย่าไปทำํำพยายามรักษาสี่ห้าให้ได้ตลอดเวลา แล้วจะได้พ้นจากอบายเอาละนะอบคุณาลอ